เสร็จแล้วก็ก็ส่งนะก็ไปไปคุยกับพวกเสนาบดีพวกข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยนะว่าเอาไงดีพระราชาทําอย่างนี้ไม่ไว้แล้วนะประท้วงกันแหลกเลยเสร็จแล้วก็ทหารแับเสนาบดีผู้ใหญ่ก็เลยเข้าไปเฝ้าเล่าให้พระราชาฟังว่านะเนี่ยทหารก็จะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้กันนะขออภัยใช่อันนั้นอีกพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งก็เป็นลักษณะนี้จนชาวเมืองต้องประท้วงกัน อันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าวิปสัสสีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยก็ทําแบบนี้จนอยู่ครั้งหนึ่งนเนี่ยนะพระองค์มีพระราชโอรสต่างมาางมาตงๆอีกแม่ห น, นึ่งนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออดีตเชดินสามพี่น้องก็ไปกินบ้านเมืองไกลนู่นนะอยากจะเข้ามาเฝ้าพร ะ, พ ร, ะราชาผู้พระบิดาแล้วก็อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้พี่ชายด้วยตอนหลังก็ทีนี้ อยากจะเข้าเฝ้าแต่ว่าเข้าเฝ้าไม่ได้เนี่ยพระราชาหงุหงิดเกินทําไงก็แกล้งให้ชายแดนกำเริบเนี่ยนะก็ไปป ร, ปราบเสร็จแล้วเข้าเฝ้าขอพรตอนหลังจึงได้มีการได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางยุคบางสมัยนั้นพระพุทธเจ้าบางพระองค์ถามว่าที่พระองค์ทําไมพระองค์จึงทําเช่นนั้นเพราะว่าบางช่วงเนี่ยนะพระองค์ไม่รู้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีใครมีอินทรีย์พอที่จะ ตรัสรู้ธรรมมันเมื่อไม่มีผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะพระองค์เป็นกาลวาทีบุคคลรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรหลายเรื่องพระองค์เหมือนกับปล่อยไปตามเรื่องตามราวไปอย่างนั้นแหละอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ก็ให้มันเกิดไปอย่างนั้นแหละคือจริงๆแล้วพระองค์เล็งเห็นแล้วว่าถึงพระองค์ไปทําอย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรพันวิธีนั้นดีที่สุดเนี่ยนะสรุปว่าพระองค์นี่หลังฝนคืออมตะธรรมเนี่ยนะ การหลังฝนคืออมะตะธรรมนั้นเป็นอุบายเพื่อจะกระทำให้เกิดการตรัสรู้ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในพระธรรมเทศนาทรงสั่งสอนให้สัตว์เข้าใจให้สัตว์หลายร้อยเนี่ยให้สัตว์ทั้งหลายได้ข้ามทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอขะสงสารบทว่าโอวาทะกะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนด้วยพันนาคุนานิสงอ น, นิสงของอะไรบ้าง พระองค์เนี่เป็นผู้ที่พูดอ น, นิสง์ของการถึงสารณาคมนะว่าถ้าถึงสารณาคมแล้วจะได้รับผลอ น, นิสง์อย่างไรเพรัะผู้ที่ฟังเรื่องสารณาคมและอ น, นิสง์ของสารณาคมเน่ถึงสารณาคมแน่นอนกล่าวถึงอ น, นิสง์ผลกําไรที่เกิดจากการรักษาศีลอ น, นิสง์ผลกําไรที่เกิดจากทุดงพระองค์ก็เลยชื่อว่าโอวาทกะผู้ให้โอวาทผู้แนะนําสั่งสอนแล้วก็สั่งสอนชนิดที่เรียกว่าคนฟังต้องทาตามเหมือน ไม่ใช่บังคับนะแต่เล่าถึงคุณคุณถึงการปฏิบัติเช่นนั้นถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนั้นเสียหายอย่างไรปฏิบัติเช่นนั้นไม่ได้ยากเกินกว่าที่คิดอย่างไรผมก็ตรัสเล่าเขาก็ปฏิบัติตามได้บทว่าวิญญาปโกเพราะว่าพระองค์นิธรรมให้สัตว์เข้าใจเข้าใจในอริยสัจคือฟังแล้วเขาเข้าใจอริยสัจได้เลยพระองค์มีมีความสามารถอย่างนั้นเรียกว่าวิญญาปโกพูดให้เขารู้อริยสัจได้ ตารโกพระองค์ผู้ยังสัตว์เป็นอันมากให้ข้ามโอคะสี่กามโมคะพระโควะที่โถคะและอวิโชคะพระศาสดาพระองค์นั้นมีพระพักเสมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญในมาคะปุรีพระองค์ พระพักของพระองค์นี้เสมือนพระจัเนเพนคําว่าเสมือนนี่ไม่ใช่ไอ้คำว่าเหมือนนี่ไม่ได้เป็นเหมือนว่าแม็กยังกระแกะพิมพ์เดียวกันมาไม่ใช่หมายอย่างนั้นหมายคําว่าเห็นแล้วเด่นชัดยังใจให้เอิบอิ่มไม่เบื่อหน่ายในการดูไม่เบื่อหน่ายจากการเห็นพระพุทธเจ้าหมายคําว่าอย่างนั้นในวันเพนเดือนมาคะาวันเพนเดือนสาพระองค์ก็ยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางพิกษุแสนโกรณนะกรุงมิถิลา ราชุทยานกรุงมิถิลาอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจำพรรษาณยอด เ, อเวภาระบันพศทรงแสดงธรรมะโปรดมหาชนที่มาชมบันพศเนี่ยนะเรียกว่ามาเที่ยวงานภูเขาเนี่ยนะรงยังชนเก้าหมื่นโกนให้บวช ด, ด้วยเอเหิพิกุบันปชาอันพิสุเหล่านั้นเวดล้อมแล้วทรงยกปาติโมขึ้นแสดงนั้นเป็นสันนิบาตครั้งที่สอง ครั้งพระพุทธเจ้าพูดเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอจพาพรรษาเนวภพาระบัญพภิปุสก้าวหมื่นโกดประชมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองอย่าลืมว่าตัวเลขโกดเนี่ยเป็นสำนวนของคนยุคนั้นเนี่ยนะอย่างเช่นแม้กระทั่งว่าในสูตรหนึ่งที่พระองค์เกิดเป็นพรามเนี่ยนะเป็นผู้ที่ทำบุญมาก พรองค์ก็บอกว่าทุกอย่างนี่นับเป็นโกดเป็นโกดคำว่าโกดเนี่ยบางทีเช่นถ้าถวายผ้าหลายโกดเนี่ยโกดหนึ่งมีสิบสองพับเนี่ยนะโกดหนึ่งสิบสองพับที่เรียกว่าเป็นสำนวนนะนะเป็นสำนวนของวิธีการนับของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะก็คือปริมาณเนี่ยอยากบอกว่าท่านอยากบอกเราว่ามากนั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระคุณผู้เป็นที่พึ่งของโลก อนนะของโลกสามพระเจ้านะพระองค์เป็นที่พึ่งของสัตว์ในการมาโลกรูปประโลกและอรูปประโลกพระองค์เปลื้องมหาชนจากเครื่องผูกเสด็จจาริกไปตามชนบทพิกษุ8 0,000 ประชุมกันเนี่ยนะพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะอย่างประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่พระองค์จะแบ่งเส้นทางจาริกอยู่3เส้นทางเรียกว่าตามวงกลมเนี่ยนะจาริกเป็นลักษณะวงกลม ถ้าหากว่าพระองค์เสด็จจาริกใช้เวลาเจเดือนในวงกลมในการจาริกจะเล็กนะเส้นทางจาริกจะแคบถ้าหากว่าพระองค์เสด็จสเดือนเอขอขไป8เดือนเส้นทางจะกว้างขึ้นไปอีกเยอะถ้าพระองค์จาริก9เดือนเนี่ยนะเส้นทางก็จะไกลกว่า น, นั้นอีกก็เป็นเส้นทางที่ใหญ่เขาเรียกว่าจาริกพระวมมนทนแปลว่าจาริกโดยรอบเพื่อเหตุผลก็คือบอกว่าผู้ที่เป็นคนชราขาพิการเป็นต้น ไม่สามารถที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าในในถิ่นที่พระองค์ประทับเนี่ยได้พระองค์ก็มาให้เขาเห็นเพื่อเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาตาเขาบอดเขาไปไม่ได้ก็จะได้ฟังเสียงเนี่ยนะบางคนก็อย่างน้อยก็ได้ประนมมือก็ยังดีได้ให้ทานได้สมาทานศีลถึงสารณคมได้ฟังธรรมได้บรรลุมรรคผลเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เ่าสัตว์นั้นพระองค์จึงมีการจาริก ทุกปีเนี่ยนะทุกปีพระพุทธเจ้าเนี่ยจาริตรอบประเทศอินเดียเนี่ยนะสี่สิบกว่ารอบสี่สิบกว่ารอบเนี่ยนะในการจาริษเดินทางไกลามากเลยนะของเราไปไหว้สังเวชนิสถานให้ได้กี่รอบเนี่ยให้ได้สี่สิบห้าสิบรอบเงี้บางคนเขาไปปีงตั้งหลายครั้งนะบางคนเขามีบุญมาก บางคนเนี่ยเขาไปแล้วก็ประสบแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวมันตั้งโครงการไปทุกปีเลยเนะนะเขมีคือแล้วแต่ว่าใครนับถืออะไรผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้ามากก็อยากเข้าไปใกล้ชิดที่ที่อะไรก็ได้ที่ขอให้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างว่าผู้ใดนับถือสิ่งใดติดอชอบใจกับสิ่งใดก็มีใจไปใกล้ชิดกับสิ่งนั้นเพราะนั้นผู้ที่เขานับถือพระพุทธเจ้ามีศรัทธานในพระพุทธเจ้าก็ยินดีที่จะไป บางคนก็ไปได้ตั้งหลายครั้งเนี่ยนะก็แล้วแต่บุญนะนะปัจจัยมันเยอะมากในการคําว่าปัจจัยไม่ได้แปลว่าสตังเสมอไปเนี่ยนะบางทีปัจจัยมากแปลว่าภาษาก็ได้แปลว่าไม่ว่างก็ได้แปลว่าไม่สบายก็ได้แปลว่าแก่เกินไปก็ได้เนี่ยแปลได้หลายอย่างมันต้องอาศัยองค์ประกอบเยอะแน่กว่าจะไปได้มันถ้ามีโอกาสใครไปได้ก็ไปเถอะไปแล้วเลื่ถึงพระพุทธเจ้าแต่ที่สําคัญไปแล้วมันเอาพกสาระไปให้เต็มที่เนี่ยนะ หมายว่าถ้าได้ความเข้าใจเพิ่มเท่าใดก็บุญก็มากขึ้นเท่านั้นในก็พยายามแนะนําหลายคนบอกไปครั้งที่สองมันต้องดีกว่าครั้งที่1สิมันต้องคิดไว้ก่อนไปแล้วไปเจริญอะไรไปเจริญว่าอย่างไงถ้าไปกราบเท่าเท่าเดิมก็นั่งคิดตรงนี้กราบก็ได้มั้งถ้าให้เป็นเท่าเดิมมันต้องได้เพิ่มขึ้นกว่านั้นสิแต่ละทีแต่ละทีมันไปหนึ่งครั้งที่สองก็ต้องดีกว่าครั้งที่1ครั้งที่สมต้องดีกว่าครั้งที่สองครั้งครั้งที่สิบก็ต้องดีกว่าครั้งที่9 มันก็ต้องให้มีสาระเพิ่มขึ้นความเข้าใจมากขึ้นคุณธรรมเพิ่มขึ้นบุญกุศลมากขึ้นเนี่ยนะไปแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ก็จะได้ระเลิกถึงพระพุทธคุเนี่ยนะ น, นี่กลับมหาพระโพธิสัตว์ของเราว่าพระองค์ก็เกิดทันพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเรานั้นเป็นผู้ครองรัฐใหญ่เนี่ยนะเป็นพระราชาผู้ใหญ่เลยแหละชื่อว่าชดิน มีทรับหลายโกรธได้ถวายทานอย่างดีพร้อมทั้งจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเสร็จแล้วพระองค์ก็อนุโมทนาพัตฐานอนุโมทนาแห่งการถวายข้าวเนี่ยนะอนุโมทนาในบุญกุศลว่าเช่นว่าผู้ให้ข้าวคือผู้ให้กำลังเป็นต้นะนะหลังจากอนุโมทนาเสร็จพระองค์ก็พยพระพุทธเจ้าปนามวาปทุมุตระก็พยากร วาพยาก์ก็คือทานายทักบอกตามตรงว่าในอนาคตตการในที่สุดอีกแสนกับท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะซึ่งพ ร, พระองค์เล่าให้ภาษารีบทฟังเป็นคาถาว่าสมัยนั้นเราเป็นผู้ครองรัฐชื่อว่าชดินได้ถวายพระตาหารพร้อมทั้งผ้า แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางพระสงฆ์ก็พยากรณ์เราว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในแสนกับนับแต่กับนี้ไปเป็นต้นการพยากรณ์ก็เช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระเจ้าฉดินฟังพระดํารัสของพระองค์เลยแล้วก็อธิษฐานข้อวัดนั้ยิ่งยวดได้ทําความเพียรอย่างมั่นคงอย่างยิ่งเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทุบมุตระนั้นในศาสนาของพระองค์ไม่มีพวกเดรัจฉีเทวดาและมนุษย์ทุกคนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นสารณะเนยนะเขานับถือพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งเทวดาและมนุษย์เดรัจฉานไม่เอาเป็นประมาณนะนะไม่รู้เรื่องนี่ละนะในก็เอาพวกเทวดาและมนุษย์พอที่จะรู้ความตั้งแต่อาเยตุกะปฏิสนทิขอให้มันพอมี มันมีสภาพความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเถอพวกนี้ได้นับถือพระพุทธเจ้าหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งนั้นพวกเดรธีผู้มีใจผิดปกตินี่นะมีใจเสียถูกกำจัดมานะหมดบุรุษบางพวกของเดรธีเหล่านั้นไม่ยอมบำรุงบำเรอคือปกติแล้วเนี่ยนะพวกเดรธีทั้งหลายก็คือลัทธิเจ้ า, าศาสดาเจ้าลัทธิเจ้าทิฐิทิฐิสทิฐิเหล่านั้นเนี่ยนะก็เผยแร่ศาสนากันน่าดูเลย ทีนี้พวกอุปถากพวกชาวบ้านทั้งหลายถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหมดเลิกบำรุงเดียรถีคล้ายๆใครคล้ายๆกับอุบาลีครหะบาดีเมืองชาวเมืองนาลันธาฉะนั้นเลิกถวายปัจจัยเดียรถีขับไล่เดียรถีส่งเลยให้ออกจากแว่นแคว้นเพราะอยู่ไปท่านก็ไม่มีอาหารฉันอย่างเงี้ยนะไปเถอะไปตามทางของท่านเถอะอย่างเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นเดรธีทุกคนก็มาประชุมกันในที่นั้นเข้าไปในสำนักของพระพุทธเจ้าทูลอ้อนว อ, อนขอร้องว่าข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งข้าแต่พระผู้มีจักสุขอพระองค์ทรงเป็นสารณะพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความเอ็นดูมีพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ทรงอย่างเดรธีที่ประชุมกันทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในศีลห้า แล้ว่าให้มีสารณะมีเศษพันศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อากูลอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีพวกลัลทธิอื่นๆที่จะมาทำลายะนะพัศาสนาของในช่วงศาสนาของพระองค์จึงว่างเปล่าศูนย์จากเดรถีชาวลัทธิ6ทิฏี่กสิ62ออกไปงดงามด้วยผ้าอรหันต์ทั้งหลายผู้ชำนาญและผู้คงที่บทว่าณนนเตสังเกจิปริจรนติ พวกบุรุษแม้บางพวกคือเรียกว่าพวกสาวกของพวกเดียร์ธีเก่าก่อนนั้นไม่ทําการนวดฟันไม่ทําการถวายพิกษาหารไม่สักการะเคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยอมลุกจากที่นั่งเพื่อต้อนรับไม่มีการทําอัญเฉลีกรรมยกมือไหว้แม้แต่นี้เดียวเพราะฉะนั้นก็เลยขับไล่สายส่งไปเลยพวกเดียร์ธีก็เลยพากันมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบอกว่าขอพระองค์โปรดส่งเป็นศาสตา ผู้สั่งสอนโอวาทประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ข้าพระองค์เธอขอให้พระองค์เป็นที่พึ่งขอให้พระองค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอให้พระองค์เป็นสารณะของข้าพระองค์เธอขอพระองค์อนุกรรมปะกะทรงทรงเอ็นดูการุณิกะประพฤติ ด, ด้วยความกรุณาในพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเธอพระองค์ก็เลยสอนให้พวกเขาประฏิสถานนะพวกเขาผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตั้งอยู่ใน ศีลหนันะปัญหาศาสนาของพระองค์ก็เลยไม่มีเดรัจฉีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระพระองค์นั้นมีพระนครที่เกิดชื่อว่าหังสวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าอานันทพระชนนีพระนางสุชาดาเทวีคู่อัครสาวกชื่อว่าเทวีละและพระสุชาติผู้ท่อุปถาชื่อว่าพระสมาณะอัครสาวิกาชื่อว่าอมิตาและอัสมา พูดถึงพระพุทธอุปถาเนี่ยนะพระสุมณะเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งญ า, าติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปรารถนาจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี้ไปไม่ใช่เวลาก็คือเป็นเป็นผู้ที่ไปกินสวยกินบ้านกินเมืองอื่นไกลเนี่ยนะก็มาเฝ้าเฝ้าพ่อเสร็จแล้วก็อยากจะเข้าไปหาพระพี่ชายคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเข้าไปในเวลาที่ไม่ใช่สมัยเป็นเวลาที่พระ อ, องค์พัก พักอยู่พดีก็เลยเข้าไปหาพระพิสุท์ทั้งหลายที่กําลังจงกรมเป็นต้นอยู่บอกว่าเนี่ยอยากจะเข้าเฝ้ า, าพระพุทธเจ้าพระพิสุทเหล่านั้นก็บอกว่าอาตมาพาท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกอันแล้วใครพาเข้าไปเฝ้าได้บอกไปหาพระสุมาณเถระไปถึงพระหมหาสุมาณะพระสุมาณะเถระก็จัดแจงให้ได้เข้าเฝ้าทีนี้พระญาติพระองค์นี้เนี่ยนะเห็นพระสุมาณะเถระอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างนะ แต่เสร็จแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปทําบุญอยู่นานแล้วก็ท่านก็ออกมาบวชอยู่ด้วยบวชเสร็จท่านไม่ได้ทําอะไรท่านจะดูแต่ข้อวัดของพระสมณเทระนี่แหละแต่แท้ายที่สุดพอท่านทําบุญอยู่นานแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระพุทธอุปถากเช่นกับพระสมณะเทระนั้นความปรารถนาอันนั้นก็มาสําเร็จในที่มาเป็นพระอานุ์ของเราเนี่ยนะพระอานุ์ก็ไปเรียนแบบพระสมณเถระมาเนี่ยนะ ก็คือไปเห็นว่าเออเขาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ดาดาีเหลือเกินขอมั่งเอามั่งอย่างเงี้ยนะก็เลยตั้งความปรารถนาได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมซึ่งพระองค์ก็อ่าพระปทุมมุตระก็เคยพยากรณ์ไว้แล้วว่าพระอานนท์จะได้เป็นพระอุปถัมภ์ติดตามเช่นกับเงาติดตามตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอก25ปีหลังเนี่ยนะติดตามเหมือนเงาเลยเว่างั้นติดตามเหมือนเงาเลยก่อนหน้านั้นก็ตามหาโอกาสถ้าไม่มีใครอุปถัมภ์พระอานนท์ก็จะคอยดูแลอยู่ตลอด แต่ถ้าหากว่ามีคนมาทำเป็นจริงเป็นจังท่านก็ถอยไว้ก่อนพอพอคนอื่นก็ถอยท่านก็เข้าอยู่อย่างเงี้ยตลอดตอนหลังพระองค์ก็แต่งตั้งอุอปถากนะพระอนุนก็อุปถาประจำอยู่แล้วพระองค์ก็ยกให้เป็นเอตทัคคะว่าพุทธอุปถาอุปถาขนาดเรียกว่าเดินรอบพุติวัน ล, ละ18รอบ นะทั้งกลางคืนกลางวันเก้ารอบกลางคืน9้ารอบแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่นายไม่อิ่มที่จะเห็นอยากกะฟังแล้วท่านก็จําแม่นนะนะท่านจําแม่นมากแล้วก็ปรารถนาที่จะเข้าไปเฝ้าเพราะฉะนั้นขอพรไว้ข้อหนึ่งถ้าใครมาหาข้าพระองค์ต้องพาเข้าไปเฝ้าพระองค์ได้นะทจริงๆตัวเองก็อยากฟังธรรมอยู่แล้วล่ ะ, ะนะก็อยากเข้าไปเฝ้าว่า ก, กันนั้นนะะจัต่านโนนนี้จะต้องหาเหตุเลยวันนี้จะเข้า คือถ้าไม่ใช่เวลาปกติเข้าเฝ้าไม่น่าใช่ถ้ามีเรื่องนิดหน่อยอก็ได้แล้วได้ช่องแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะองค์ก็จะเล่าให้ฟังฟังเทศจบก็ออกมาหาเรื่องใหม่และนะหาหาโอกาสใหม่แล้วเพื่อที่จะไปถามปัญหาอีกจะได้ฟังอีกอย่างเง้ยนะพราอก็เป็นพุทธอุปถาคพระพุทธเจ้าประทุบมุตระมีคู่อัครสาวิกาชื่อว่าพระอมิตาและพระอัสมาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของ พระองค์ชื่อว่าสารละช้างนาวพระองค์สูงห้าสิบแปดซองพระสริรัศมีของพระองค์กินพื้นที่ประมาณสิบสองโยธโดยรอบพระชนมายุแสนปีอัคราเหสีของพระองค์ชื่อว่าวัสุทตาโอรสพระนามว่าอุตตระเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระดับขันธปรินิพานณพระวิหารนันทาราม อันเป็นสถานที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์กระจัดกระจายทั่วไปพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปชมนมช่วยการสร้างพระใจดีสำเร็จด้วยรัตนะเจประการสูง12โยดนะพระพุทธเจ้าถึงพระองค์จะดำรงอยู่เป็นแสนปีถึงจะมีพระชนมายุเพียงนั้น ก็ยังดับขันปรินิพานท่านพระองค์พร้อมทั้งสาวกของพระองค์ยังชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเคสงสารตัดความสงสัยทุกอย่างก็เสด็จดับขันท่ปรินิพานเหมือนกองไฟลุกโผลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็ยังว่านะก็เหมือนแสงแสงแห่งดวงอาทิตย์ใช่ไหมยามกลางวันเช่นนี้ใครคิดนะว่าจะมีกลางคืนยามที่สว่างร้อนอะนะ แ้าอยู่ข้างนอกด้วยอากาศอบอ้าวร้อนระอุเนี่ยนะใครเนอจะคิดว่าจะมีกลางคืนนะใครเนอจะคิดว่าจะมีกลางคืนบ้างฉันใดา ย, ยามที่มีพระพุทธศาสนาใครที่ไม่พยายามภาคเพียนทากิจนะทกิจเจริญไตรสิกขาอธิศีณอธิจิตอธิอธอธปัญญา พอหมดศาสนาไปแล้วก็จะทําอะไรได้เนี่ยนะปัญหาว่าศาสนาก็ยังมูยังมีแต่ชีวิตเราหมดนี่สิอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเออถ้าหมดชีวิตแล้วจะไปทําอะไรถ้ามังขอเกิดมาอีกรอบขอพบพระพุทธศาสนาอาจจะพบแต่ว่าพบในสภาพไหนล่ะเนี่ยนะพบในสภาพที่ผู้ไม่มีศีลครองเมืองก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยนะพบมาในสภาพที่มีแต่คนทุศีนจะอยู่กันยังไงเนี่ยนะ เพีก็พยายามที่จะภาคเพียงก่อนที่จะเสื่อมมากกว่า น, นี้ก็เรียบเร่งรีบเจริญเธอเนี่ยนะไม่ต้องไปห่วงว่าคนอื่นเขาจะเสื่อมเราเก็มากลัวว่าคนที่พูดนี่นแหละเสื่อมเพราะฉะนั้นรักษาตัวให้ดีอย่าเสื่อมกันละกันเนี่ยน ะ, ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับ